สัตตานังวิสุทธิยาตีติวันนี้นับว่าเป็นวันลำลึกถึงหลวงปู่พวงของพวกเราพระเทพสังวรยานแต่หลวงพ่อเองก็มี่เคยได้กราบใกล้ๆไม่ได้เข้าไปใกล้ไม่เหมือนหลวงปูส่สวง หลวงปู่สวงนี้ที่เป็นน้องชายของท่านหลวงพ่อสนิทสนมมาตั้งแต่สมัยเป็นเลนแต่หลวงพ่อทวงของเราเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้เข้ามาใกล้ท่านแต่ก็ได้ยินกิตติศัพท์ว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นยุคสุดท้ายจากองค์หลวงปู่ลาเสมะปัตโตที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อแต่เล่าให้ฟังว่าเป็นมาอย่างไงเป็นไปอย่างไง พอจะรู้เรื่องกูบาจานันพอสมควรพระเทพกรยานนามเดิมพวงสกุลลุล่วงวัดศรีธรรมารามอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรท่านเกิดเมื่อวันศุกร์พุทธภาคมพุทธศักราช2470 นาตบุญศรีฐานอำเภอปาติวจังหวัดยะโสธรบิดายชื่อเนียมมารดายชื่อปภพพาสกุลลุล่วงนปรพชาเมื่อปีพศ .2485 นวัดศรีฐานในอุปสมบทเมื่อวันจันทร์ขึ้น12ค่ำเดือน12ตรงกับวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2490 โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมมติยดี๊จูมพันธุโลเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ผู้สวดคือพระอาจารย์อ่อนยาดิชริวัดหนองโวบานจังหวัดอุดรพระอาจารย์ฟั่นอาจารวัดรมสมพรเป็นกรรมวาจาจารย์และตำแหน่งของท่านหลวงปู่ของเราท่านเป็นรองเจ้าคณะภาคสิบธรรมยุทธปี2 4 1 2,540 ได้รับตำแต่งตั้งเป็นพระราชานราชาณนชั้นเทพในราชาทินนามพระเทพสังวรยานฝ่ายวิปัสนาปี 2,550 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาสิบธรรมยุทธปี 2,552 อ า, าพา อ, อจากนั้นหลวงปู่ก็ได้จากไปนปีนี้ การจากไปของหลวงปู่เหมือนกับร่มโคร่มใส่น่นล้มลงทำให้พวกเราลูกหลานทั้งหลายขาดที่พึ่งพาอาศัยไม่ใช่น้อยอย่างหลวงพ่อเหมือนกันเมื่อหลวงปู่ล่าท่านมรณะภาพลงไปสมัยก่อนเวลาเราขึ้นไปกราบ เป็ไปกาบหลวงภูร่าที่ภูเจาก้พอจะขึ้นไปก็คิดถึงท่านพอไปถึงท่านท่านก็พูดอะไรให้ฟังทั้งที่เราขึ้นไปนเหนื่อยก็หายเหนื่อยเพราะว่าได้ฟังธรรมเทศนาของท่านแต่พอต่อมาเมื่อท่านล่วงลับไปเวลาเราขึ้นไปถึงยอดเขาอุตติที่ท่านพักผาอาศัย พอขึ้นไปรู้สึกว่ามันอย่างไงมันไม่ใช่เย็นายมันเย็นใจมันเย็นคล้ายๆกับว่ามันหมดเออมันหมดอะไรคล้ายว่ามันจ้อยลอยลักษณะอย่างนั้นแะภาษาบ้านเราเออรู้สึกไม่ขาดความอบอุ่นทางด้านจิตใจเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายคิดว่ามาวัดหลวง พวงของเราหลวงพ่อคิดว่าคงจะลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันถ้าว่าเมื่อตะก่อนเมื่อเรามาถึงหลวงพ่อจะได้ทักทายว่าเป็นยังไงลูกหลานเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเราก็ได้รับความอบอุ่นทางด้านจิตใจอย่างมากแต่เมื่อท่านไม่มีเสแล้วพวกเราเข้ามารู้สึกว่าเราจะ <c oughs> รู้สึกฟออ้าเว ในจิตใจลึกๆนี่แหละคือล่มโพล่มใสล้มโค่นลงไปแต่ละครั้งไม่ใช่ของเล็กน้อยเหมือนกันเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของพี่น้องประชาชนลูกหลานทุกหมู่ทุกกล่าวเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายถึงท่านจะล่วงลับดับกันไปก็ตามแต่คุณงามความดีคำสอนของท่านนั้น ยังป้องอยู่ในหูในใจของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าว่าท่านท่านได้สั่งเสียได้ได้นาสั่งสอนอะไรไว้กับพวกเราก็ขอให้พวกเรานำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายว่ายใจใจของพวกเราให้เป็นคนดีให้มีคุณภาพให้มีคุณธรรมให้มีศีลธรรมใหม้มีจริยธรรมที่ดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในระดับนี้ท่านต้องสอนพวกเรา ให้ประกอบคุณงามความดีเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนานเป็นหลักแต่โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งท้าวว่าท่านสอนพระท่านกจะสอนเรื่องจิตภาวนานเป็นสําคัญแต่ถ้าว่าท่านสอนพระศรรมทาญาิโยมท่านก็จะถอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนานเพราะฉะนั้นเรื่องทานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราแนะนําสั่งสอนทำมาท่านจึงสอนให้ทาน ท่านบอกว่าคนเราถ้าว่าคนไม่มีทานไม่มีการเสียสละไปอยู่กับใครใครก็ลําบากเพราะเหตุว่าเป็นคนไม่มีน้ำใจเป็นคนขี้ตัีทีเหนียวจะไปอยู่กับใครเขาก็เดือดร้อนเพราะว่าคนไม่มีทานไม่มีฐานะคือการเสียสละคนไม่มีศีลก็เหมือนกันถ้าไปอยู่กับใครไปอยู่ในคนกลุ่มใดชุมชนใด เพราะชุมชนนั้นก็เดือดร้อนเพราะเหตุใดพ่อฟ า, าเป็นผู้ไม่มีศิลทำให้คนอุ่นเดือดร้อนศิลของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติเอาไว้มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากต่อเพื่อนมนุษยชาติที่อยู่ด้วยกันศิลอัตมาภาพไปนักสถานที่ใดจะพูดเรื่องของศิลบรรยายเรื่องของศิล ให้แก่ชุมชนสังคมได้ฟังเพ่อเป็นแนวทางเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้โดยมากครูบาอาจารย์พออาราธนาศินครูบาอาจารย์ท่านที่เป็นประธานสงฆ์ท่านก็ให้ศินไปเลยโดยที่ไม่ได้อธิบายว่าศินค้านั้นมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรสําหรับผู้ที่จะรักษาเพราะฉะนั้นประผมอาตมาภาพเอง ไปท้สถานที่ใดจึงได้อธิบายเรื่องศินห้าให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะเด็กเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังที่ไม่ได้เข้ามาเรียนศึกษาในหลักพระธรรมวินัยเกิดมาแล้วเรียนประถมมัธยมไปเลยจากนั้นก็รับรชาชการไปเลยไม่ได้ศึกษาธรรมะก็เลยเรื่องศีลธรรมก็รู้สึกจะหานเหินเพราะฉะนั้นสินข้อที่หนึ่ง อย่างพระพุทธเจ้าตรัสได้ว่าปานาธิปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยาณิข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าคือห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเราฆ่าเขาเราไปฆ่าเขาเราก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรเพราะเราไปฆ่าเขาแต่เขามาฆ่าเราอเรา จะเสียความรู้สึกเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเรามาใส่ใจเขาอันนี้คือศีลข้อที่สองอธินาทานาเว ร, รมณีอยากขาโมยคนอื่นเขาถ้าไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาขาโมยของเราล่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกัน ขโมยคำนี้ไม่ใช่ว่าขโมยธรรมดาขโมยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาวงสารณาญาติของเขาไปเรียกค่าไถ่อะไรนี้แต่จต่ว่าเป็นขโมยเหมือนกันเดือดร้อนไหมถ้าเราไปขโมยของเขาเขามาขโมยของเราก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติศินอย่าขโมยกันศินข้อที่สามการมีสุมิจฉยจารเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครใครก็รับสงวนหวงแหน ถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินต่างคนก็ต่างมีให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสินข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาเว ร, รมณีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าไปต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจเพราะไปโกหกเขาเอาของปลอมเปไปว่าของจริง ไปต้มตุนหลอกลวงเขาโป้หกเอานี่แหละคือสินข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุรามีระยะมัชะประมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราคนเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติพวกคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนย า, ยาบ้งยาบะยาบ้ายาม้านะอันนี้ก็คือประเภท เส็พอไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างไม่ไลเพวกคนขาดสติเพราะนั้นสินข้อที่ห้าหือสุราเมรยะมัชฌะประมาณพอดืม่มสุราเข้าไปแล้วคนขาดสติแล้วขาดความยับยัง้งขาดความคิดสินข้อที่หนึ่งก็ทำได้ละเมิดได้สินข้อที่สองก็ล่วงละเมิดได้ สินข้อที่สามละเมิดได้ข้อที่สี่ก็ละเมิดได้เพราะฉะนั้นสินข้อห้าเป็นศินอันต ร, รายข้อหนึ่งอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเรานํามาวิเคราะห์นํามาพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุผลแล้วศินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนและสังคมของพวกเราเพราะนั้นขอให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะ จะทำสิ่งไหนลงไปก็ให้คิดให้พิจารณาไตรตองเขาเราเขาเราถ้าเราไม่ต้องการอย่างเราก็จะไปทําให้คนอื่นเขาถ้าเขาไม่เขาก็เช่นเดียวกันทุกคนคิดได้อย่างนี้โลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นสุขจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายแต่โลกยุคใดสมัยใดขาดศีลธรรมแล้วโลกยุคนั้นสมัยนั้นจะเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอน อันนี้คือสินนะส่วนสมาธิคือความนึกคิดทางด้านจิตใจที่นี่แต่วันนี้อาตมาภาคจะพูดเรื่องสมาธิทางสมาธิในภาคปฏิบัติให้แก่พวกเราทั้งทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาพอเป็นแนวทางคำว่าสมาธิวิธีการเบื้องต้นตามแนวแถวของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นของพวกเราที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านแนะนํากรรมฐานภาวนาพุทโธเป็นหลักนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านแนะนําสั่งสอนภาวนาเนี่ยท่านให้ภาวนาพุทโธเป็นหลักสายหลวงปู่มั่นนะ แต่สายอื่นเราไม่ว่าเพราะผู้บาอาจารย์ต่างองค์ก็ต่างได้ธรรมะมาคนละอย่างกันเหมือนกับการทํามาค้าขายบางคนก็ได้ทางทําสวนยางบางคนก็ขายน้ํามันบางคนก็ขายของชําอย่างนี้ละบางคนก็ทํานาทําสวนอันนี้ก็คือการทํามาหาเลี้ยงชีพการหาเงิน อันนี้สายของหลวงปู่มั่นของเราท่านจะแนะนําว่าให้ภาวนาพุทธโธเนะพุทธโธเนี่ยเป็นหลักฮเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นจะเป็นหลวงปู่ลาก็าตามจะเป็นหลวงตาหรือจะเป็นครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ตามที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นแล้วท่านจะสอนให้ภาวนาพุทธโธเนี่ยแหละเป็นหลักเพราะฉะนั้นการภาวนาพุทธโธเอของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ถึงสอนมากันตลอดถึงทุกวันนี้แต่ตามไม่จริงกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้นเป็นกรรมฐาน40สบกรรมฐาน4ี่สบอย่างเแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของเราลุงกู่มันงเอากรรมฐาน4ี่สบนั้นเป็นน้องอนาปานสตินะเป็นน้องอนาปานสติ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 หายใจออกสั้นออกยาวให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นๆอันนี้ก็คือกรรมฐานกําหนดลมหายใจเข้าออกวิธีการเดิน เ, เดินจงกรมทํำยังไงโดยมากครูบาอาจารย์ท่านจะแนะนําแต่นั่งสมาธิแต่วิธีการเดินจงกรมหลวงปูร่าสมัย อาตจจมาภาพเป็นเนน้อยหลวงปู่ร่าท่านสอนท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นสอนโดยยอ ง, งกลมนะจมมื่อว่าไปทางย ง, งกลมประมาณสักสิบยี่สิบเมตรความยาวอย่างนี้ให้กําหนดทางโดยย ง, งกลมจากนั้นให้ไปยืนอยู่ซ้นข้างใดสุดข้างใดข้างหนึ่งสุดทางจ ง, งกลมข้างใดข้างหนึ่งจากนั้นให้ประนมมือขึ้นระหว่างอกเอามาวางองทุกคนนึกพุโทโธ ธโมสังโฆพุทโธธโมสังโฆไหว้ไหว้ทูซะก่อนอไหว้ทูซะก่อนพุทธโธธโมสังโฆจากนั้นก็เอามือลงในระหว่างท้องประสานประสานในระหว่างท้องน้อยจากนั้นก็ขาขวาพุทขาซ้ายถูขาขวาพุทธขาซ้ายโถูพุทโธพุทโธอย่าไปเดินช้าอย่าไปเดินเร็ว ให้เดินตามปกติอันนี้ก็คื อ, อไม่ใช่ว่าจะเดินแบบยกขึ้นก้าวน้อยกหน้อยไม่ใช่อันนี้คือท่านให้เดินแบบขาขวาพุดขาซ้ายโถพุดโถพุดโถแล้วจะเวียนไปทางไหนจะเวียนขวาก็ได้แล้วแต่ถนัดเวียนขวาก็ได้จากนั้นก็พุโทโถพุดโถอย่าเอามือคขว้หลังนะ เอออันนี้คือหลวงปู่ล่าที่ท่านสอนนะยาามือไขว้หลังหลวงปู่มั่นทว่าถ้าเอามือไขว้หลังเน่ยเหมือนท่านนักเลงทานนักเลงเดินเลยเอจะไปกวายแขนกวายแขนคล้ายๆว่าขาดความเคารพอยาวไปเอามือกอดอกถ้ากอดอกก็เหมือนกับเจ้าทุกเอามือประสานไว้ได้ระหว่างท้องอันนี้คือท่าลำพึงอันนี้แหละอันนี้ก็คือทว่าพวกเราคณรทาญาติโยมลูกหลาน จะไปเดินจงกลมและสถานที่ใดก็ตามถ้าว่าเดินตามแนวแถวหลวงปู่มั่นแล้วไม่ต้องเขอะเเขินเขินผู้จึงกานได้นะ เ, เดินตามที่ว่านี่นะคือเดินประสานเอามือไว้ระหว่างท้องน้อยจากนั้นก็นขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทธโทพุทธโทพุทธโทก้า ว, ว, ว 9, เดินตามปกติแต่บางคนมายุคนี้สมัยนี้ขึ้นพูดขึ้นมาอีกว่าทําไมจึงเอาพระพุทธ พุโทโธไปลงไปที่เท้าจะไม่ต่ำเหลือเหมือนกับเราเหยียบย่ำพุโทโธอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็คือคนคนพูดขึ้นมาอีกนะแต่หลวงพ่อก็ให้ความแนวความคิดว่าแต่ตามไม่จิงเท้าก็ดีหัวก็ดใใีใครเป็นคนให้สมมุติว่าเท้าและหัวเป็นของสูงและของต่ำเราเป็นคนให้สมมุติไม่ใช่เหรอ ใจเขาเราไปให้ความสมมติว่าเท้าต่ําหัวสูงอย่างนั้นใช่ไหมแต่ตามไม่จริงหัวและเท้าเขาก็ไม่ได้ว่าต่ะเท้าต่ําหรือเท้าสูงหัวสูงหรือหัวต่ําเขาก็ไม่ได้ว่าแต่เราไปให้ความสมมติเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะไปให้ความสมมติ ว, ว่าสูงว่าต่ําในร่างกายของเราทุกส่วนมีคุณค่าเสมอกันทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าเราถือว่าเท้าต่ําเราตัดเท้าทิ้งซะ เนีหัวมันจะเดินได้เหรอหัวมันก็เดินไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะว่าขาเท้าไม่มีเพราะนั้นเรื่องเท้าก็ดีหัวก็ดีมีคุณค่าเสมอกันทั้งหมดเพราะนั้นเราอย่าไปคิดว่าเท้าต่ําหัวสูงเออหัวสูงเท้าต่ํามันเสมอกันทั้งหมดเลยใจของเราเท่านั้นแหละไปให้ความสมบูรเออมันจึงมันจึงสูงมันจึงเต็มงางนเลยอันนี้เลยคือวิธีการเดินจงกรมอ่ะวิธีการนั่งภาวนาก็เหมือนกัน เวลาเรานั่งภาวน า, เ, าเมื่อเดินจงกรมเสร็จแล้วก็ขึ้นมานั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงอย่างที่ว่าเนี่ยสมาธิเป็นหน้าที่ของพระไม่ใช่าบางคนก็ว่าเป็นหน้าที่ของพระไม่ใช่นะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท่านเพราะว่าพวกเราทุกๆท่านต้องการความสุขความสบายใจเย็นใจแล้วต้องนั่งสมาธิสมาธิเป็น เรื่องฝึกหัดทางด้านจิตใจโดยตรงคนเราเนี่ยในร่างกายของเราคนเรามีสองรูปประธรรมและนามธรรมรูปประธรรมคือร่างกายนามธรรมนั้นคือจิตจิตวิญญาณหรือใจหรือผู้รู้หรือนามธรรมเออแต่วันมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเ้าเรียกว่านามธรรมแต่รูปประธรรมนั้นพวกเรามองเห็นในร่างกาย เพราะนั้นพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านให้ความสนใจเรื่องนามธรรมนี่มากกว่ารูปธรรมรูปธรรมคือร่างกายเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นแต่ส่วนจิตใจนั้นจะให้ฉลาดจะให้โง่จะให้เป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาสกทาคาอนาคาพระอรหันต์เป็นพุทธเจ้าคือใจท่านน่ะที่จะเป็นที่ตกแต่งได้ให้เฉลียวฉลาดได้ เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นหนักเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปรธรรมส่วนนามธรรมเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นเพราะนั้นในตัวของเราแต่ละท่านที่นั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดมีอยู่สองคือรู ป, ปรธรรมและนามธรรมถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนรู ป, ปรธรรมก็คือเหมือนกับรถนามธรรมเหมือนกับคนขับรถคนขับรถ กับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่ต้องอาศัยกันถ้าหาว่ารถไม่มีคนขับรถก็ไปไม่ได้ถ้าว่ารถมันเสียคนจะฝีมือขนาดไหนมันก็ขับไม่ได้มันก็ไม่ไปเพรอะไรเพราะรถมันเสียนี้ก็เหมือนกันหลักของพระศาสนาพระพุทธเจ้าที่ท่านไปคน้นคว้าไปศึกษาเอ่่ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ธรรม ในวันเดือนหกเพียรจุดนี้หลวงพ่อว่าพวกเราควรจะควรจะศึกษาอีกเหมือนกันเพราะต้นตำรับตำราสมาธินี่เป็นมาอย่างไรเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ได้ตัดสรู้ธรรมได้บรรลุธรรมแล้วจึงนำธรรมคำสอนมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่าน หนีออกจากเวียงวังไปบวชเนี่ยไปอยู่ในป่าไปทรงผนวดอยู่ในป่าไปทดลองผิดทดลองถูกอยู่เป็นเวลาทั้งหกปีจุดนี้เป็นจุดที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายน่าจะศึกษาให้ละเอียดเพราะพุทธองค์ไปฝึกไปฝึกอยู่ในป่าดงคงไปหกปีนั้นพรพุทธองค์ได้ไปทําอะไรบ้างท่านไม่ได้ไปถือจอบถือเสียมถือปรับปุงปากกาถือ อะไรท่านไปนั่งภาวนาของท่านไปศึกษากับดาบททั้งสองที่เป็นไปศึกษา น, ะนอกจากนั้นท่านก็อยู่ตามลําพังฝึกหัดด้วยพระองค์เองแต่วันเดือนหกเพนเมื่อหกปีผ่านไปวันเดือนหกเพนที่พระพุทธเจ้าได้ตัสรู้ธรรมในวันนั้นอันนั้นจุดนั้นสูตรสําเร็จ ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรุป ร, รมคือวันนั้นสุดสําเร็จที่พระพุทธเจ้าท่านทบอย่างไรพระโตองค์บอกว่าวันนั้นยังพาทิตย์ยังไม่ตกดินวันเดินหกเพ็ญนายโยต์นายโสธยะได้นำํำ เ, เกี่ยวยากามาจากที่ไหนเดินผ่านมาจากนั้นท่านก็มอบยากาให้แก่จิททัตถะพระพุทธเจ้าของเรา พระพุทธองค์ได้รับญาตพาจากนยายสวิยะแปดกำมือจากานั้นมาเกลี่ยลงที่โคนต้นโปต้นโพเ น, นี่ยพวกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นคงจะเป็นรากตะปุมตะปั่มที่มันลอยขึ้นมาดันายสวิยาเขาเห็นว่าศิัิธาพระพุทธเจ้าของเรานั่งอยู่ตามลําพังก็คงจะไม่สะดวกสบายที่เลยเห็นมาแล้วก็เอายาติาเข้าไปถวายท่านพระพุทธเจ้าของเราได้เกี่ยญาตพา ลงที่โคนต้นโพจากนั้นขึ้นไปนั่งสมาธิในขณะนั้นพระอาทิตย์ยังไม่อัดฉดงพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินน ะ, ะพระองค์ได้ขึ้นไปนั่งสมาธิพอนั่งตัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงอย่างที่ว่านะดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกจิตของพระองค์ก็สู่ความสงบเป็นหนึ่ง จิตรวมรงเป็นหนึ่งเกิดญาณทัทชนะเกิดฌานจากนั้นพระองค์ระลึกชาติผลหลังได้ปุเพนีวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้นี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายนึกดูให้ดีว่าตายแล้วไม่สูญตามหลักของของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ไปค้นคว้า ศ, ศึกษาในบันเดือนหกเพนนนั้นตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก เรียกว่าปุเพในวาสานุสติยานรละลึกชาติผลหลังได้ถ้าว่าตายแล้วสูญจะระลึกชาติผลหลังได้อย่างไรเพราะตายแล้วสูญอันนี้พระพุทธเจ้าท่านไปพ้นคว้าศึกษาว่าตายแล้วไม่สูญ น, นะเออคือนามธรรมที่ว่านั่นคนขับรถเน่ะมันไม่ตายแต่ร่างกายเนี่แตกตายสลายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นธาตุเจดินน้ำธาตุสี่ ตาหูาจมูกลิ้นกายแตกตายสลายแน่แต่นามธรรมคือจิตใจดวงนั้นไม่ตายเพราะนั้นต้องวนวกวนเวียนไปเกิดในสถานที่ต่างๆเพราะนั้นพระองค์จึงะระลึกชาติผลหลังได้เป็นร้อยชาติพัชนชาติหมื่นชาติแสนชาติมากมายพอถึงเที่ยงคืนพระองค์กําหนดดูจใจรทธิ์ไทยของพระองค์อีก ใจของพระองค์เข้าสู่ความสงบนิ่งลงไปอีกได้เกิดญาณทัศนะขึ้นมาอีกว่าจุตูปะ ป, ะปะตาตญานการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายวิญญาณตรงนี้มาจากไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปทุ่จะไปจะไปที่ไหนพระพุทธองค์ก็รู้ได้ทั้งหมดวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็รู้รู้ได้อีกว่า ที่มาเกิดที่นี่เขาได้ทํากรรมอันไหนไว้เขามีกรรมอันไหนไว้จึงมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปที่นูนนะั้ด้วยกรรมอะไรเพราะพระพุทธองค์ก็รู้อีกเพราะฉนั้น พ, พระพุทธองค์จึงบอกพวกเราท่านทั้งหลายในพระธรรมคำสอนของพระองค์บอกว่าอย่าทํากรรมชั่วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลทางไม่ดีให้ทําแต่กรรมดี ให้ผลแต่ทาดีเมื่อทํากรรมดีแล้วกรรมดีจะให้ผลไปในทางสุขติแต่ถ้าว่าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วจะพาให้พาไปทุกติไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ฉันตะตกนรก Cor ไปเป็นเปรตไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉันนานาช น, น, น, น, น, นิดไปได้ทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะว่าเราทํากรรมไม่ดีเอาไว้แต่ถ้าเราทํากรรมดีแ ล, ล้วกรรมดีจะตามสนองไปสู่สุขติเพราะนั้นพระพุทธองค์งจริง ตัดในไว้ในโอวาทปาติโมก อ, อให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาว่าอาคตะังลุกตะตังเสโยปัชชาตปติลุกตะตังยยตตกรรมชั่วอย่าทําเฉลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังถ้าว่าใครทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วนั้นจะเผาผ่านบุคคลคนนั้นเมื่อภายหลังนี่แหละพระพุทธองค์รู้ได้ในวันเดือนหกเพน ตอนเที่ยงคืนแต่พอจวนจะสว่างพระพุทธองค์ได้ตัดรู้ทำเรียกว่าจุตูปปารเตวะอาสาวะวัคยายานาจุตูปปารตยานอาสาวกยญคยายนานยาอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่เกิดอีกแล้วอสิ่งที่จะให้เกิดกําจัดออกหมดแล้วนี่แหละ ในวันเดือนวกเพนวันนั้นจวนสว่างพระพุทธองค์ได้ตัดรู้ธรรมพระพุทธองค์ได้ดูว่าดวงวิญญาณของพระองค์ใจพระบัวนึมาจากไหนพระพุทธองค์ได้พิจารณาปฏิจจสมุปบาทอาวิชาปัจจญาสร้างข้าราสร้างข้าราปัจยาวิญญาณังวิญญาณปัจปจปญานามาหูปังจนถึงโสกปริเทวทุกขทโทมนตสุอุปายา ดวงวิญญาณดวงนี้มาจากความโง่มาจากความไม่ฉลาดเรียกว่าอาวิชชาเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าวิญญาณนี้เกิดมาจากไหนพูดได้เพียงคําเดียวว่าเกิดมาจากตัววิชชามาจากความโง่ไม่ไม่เลยกว่านั้นไปอีกแต่พระองค์บอกว่าอย่าไปดูมันเถอะเพราะมันรู้มาแล้วเป็นยังไงมีแต่ เ, เราจะปรับปรุงแก้ไขจะชะําระมันไม่ให้มัน มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารจริงไหนที่ทําให้มันมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารคืออะไรพระพุทธองค์บอกว่าคือกิเลสราคะโทสะโมหะนี่แหละที่พานําดวงวิญญาตัวนี้มาวกวนเวียนเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารจัดกําจัดด้วยวิธีอย่างไรพระพุทธองค์ก็ได้แนะแนวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาว่า สินสมาธิปัญญานี่แหละสัมมาทิสัมมาสังกัปปวะวาจากรรมมันโตอาชีโววายโมจติส ม, มาธิมัดแปดที่แหละเป็นเครื่องกรํารจัดกิเลสราคะ โ, โทสะโมหะออกจากกิณจะจิตใจเมื่อจิตใจของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเอด้วยตบปะธรรมคือสินสมาธิปัญญากันกลองแล้วไตรตองแล้วกําจัดแล้ว จิตตรงนั้นก็จะหลุดพ้นจากอายตวัจิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวันนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรามังศูนอย่างนิพพานศูนศูนย์อะไรคือศูนเชื้อเชื้อที่จะทำให้เกิดทั้งศูนย์หมดแล้วมีแต่ความบริสุทธิ์เนี่ย น, นี่แหละคือคือทำคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้นำมา แนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้คือพุทธพระพุทธองค์จากนั้นพระองค์ได้นำทำคำสอนมาประกาศมาเผยแผ่มาบอกกล่าวให้แก่พวกเราท่านท่านท่านทั้งหลายได้ยินได้ศึกษาเป็นแยกย่อยออกไปอีกท่อย่างสมาเทอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวบปงตอดหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนาสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลาย ให้นั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบคือบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดลมเหมือนเรายืนอยู่ข้างประตูเวลาคนผ่านเข้าไปเราก็รู้ว่าคนผ่านเข้าไปเวลาคนผ่านออกมาเราก็รู้ว่าคนผ่านออกมา อย่าไปเดินตามคนเข้าไปอย่าไปเดินตามคนออกมาเพียงแต่รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกเพียงเท่านั้นพอแต่ถ้าหาว่าจิตใจของเรามันยังุงฟุ้งออกไปข้างนอกแมมันเอาไม่อยู่เราก็ให้สำทับบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธขณะที่จิตที่มันคิด อสัมทับอยู่ในจิตที่กําลังคลึกคิดมันคลุกชิดมันป่งฟุงมันกําลังจะออกชิดชิดอยูน่น่ะให้เอาพุโทโธพุโทโธพุโทโธสัมทับอยู่จุดนั้นไม่ให้มันออกไปข้างนอกอันนี้ก็ทําให้จิตใจของเรารวมสงบลงได้แตบ่บางท่านโอ้มันมันก็ยังไม่ไม่อยู่อมันยังเคล็ดลอดออกไปได้อยู่เราทดลองดูซิโดยมากโดนข้อ เองได้แนะนำสามวิธีให้แก่พวกเรานํามาประพฤติปฏิบัติอันดับที่สามของพอให้นับนะให้นับทดลองนับดูหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสาหายใจออกนับสี่นับถึงร้อยถ้าเราไม่เผลอไม่เผลอแปลว่าเรามีสติหนึ่งนาทีกว่าแล้วนะแต่ถ้าเราเผลอมันจะเผลอกษณะยังไงเราจะรู้ได้ เวลาเรานับเวลาหายใจเข้านับหนึ่งคือเป็นเลขคี่หายหายใจออกนับสองเป็นเลขคู่หายใจเข้านับสามเป็นเลขขี่ ข, ข, ขี่คู่ขี่คู่ไปถึงร้อยแต่ถ้าหากว่าเรามันจะเผลอมันจะเบอร์เบอร์เสมมุติว่าเราอาจจะนับไปถึงหายใจเขา้าห2บสองหายใจออก63สามเนี่ยมันขาดานะเนี่ มันหลงล่ะมันหลงเงื่อนล่ะเพราะว่ามันหายใจออกมันเป็นเลขชี้หายใจเข้ามันเป็นเลขคู่นะนี่แหละให้เราสังเกตดูอันนี้แหะคือวิธีการภาวนาแต่ถ้าเราภาวนามันเผลอบ่อยเบ่อบ่อ ย, บอบอยขาดบ่อยนะเราอย่าไปชราใจถ้ามันเผลอมากๆเผลอๆมันจะเป็นบ้าในง่ายๆเหมือนกันนะคนขาดสตินะเะพราะฉะนั้นฝึกสติเนี่ย เราจะรู้ได้โดยตนเองว่าเรานขาดสติมากน้อยแค่ไหนถ้าเราขาดสติมากๆกะทำให้เราเสียศูนย์ได้เหมือนกันนะเพราะนั้นให้พวกเราฝึกเอาไว้เรื่องสติสัมปชัญญะคำนี้มันจะได้เกิดประโยชน์คนที่ฝึกหัดจิตตภาวนาต่อไปภายภาคหน้าใจของเราจะมีหลักอยู่กับตัวเองจิตใจจะไม่ว้าเวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึม ต่อไปภายภาคหน้าจะอยู่นสถ า, านที่ใดก็อยู่ด้วยสมาธิของตนเองได้แต่ถ้าว่าพวกเราไม่เคยฝึ ก, กจิตตภาวนาเส่นเลยต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเท่าแก่ชรานะเมื่อเท่าแก่ชราเราจะว้าหวีอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมเพราะเหตุใดเพราะเราไม่เคยภาวนาเลยแต่ถ้าเราเคยภาวนาแล้วเราจะอยู่กับสมาธินะ เราจะอยู่กับสมาธิจิตใจคนจะเข้าสู่ความสงบใครจะมาหรือไม่มาข้ามาเดชชนเพราะเราภาวนาทีอย่างเดียวเท่านั้นแหละกรําทั้งหลายข่าเป็นคนได้รับข่าเป็นคนเกิดมา เ, เวลาถึงคราวมาแล้วข้าวแล้วข่าจะต้องทิ้งทั้งหมดเหมือนกัน อ, อข่าจะไม่เอาใครไปด้วยทั้งหมดใครเกิดมาเกิดต่างคนก็ต่างมาเกิดของใครของเราเราก็มาเกิดเขาก็มาเกิด เพราะนั้นเราจะไปทุกข์ไปร้อนกับเรื่องอะไรคนมีธรรมในใจจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าคนไม่มีธรรมในใจแล้วมีแต่พึ่งคิดพึ่งพาอาศัยลูกหลานจิตใจจะว้าวิ่อ้างว้างเงียบหเหงาเศร้าสึมเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฝึกเอาไว้สมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายนะสมาธิสมาธิาธคำนี้ พวกเราฝึกแล้วจะเป็นอย่างไงโดยมากพวกเราฝึกแล้วได้อะไรและไะเป็นจะเป็นอย่างไงอันดับแรกนะเรื่องสมาธินสมาธิ ม, าธมันอยู่สามขั้นตามหลักคณิกาอปปนาอุปจาระคณกาอุปจาระอปปนาสามขั้น คณนนิกะนี่คืออะไรเวลาเรานั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธมีสติสัมปชัญญะในขณะที่นึกพุทโธพุทโธพุทโธใจของเราไม่เผลอไม่คิดไปถึงอดีตไม่ถึกไม่คิดไปในอนาคตใจของเราอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เวลานี้เมื่อใจของเรามู่มั่นมีความตั้งใจจริงอย่างนั้นจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบ ในระดับหนึ่งเอระดับหนึ่งคืออะไรคือมันอาจจะมีเสียงว่าเออให้เข้าว่าเย็นว่าในจิตใจของเราเหมือนจะเผลอหรือก็เหมือนจะนอนหลับจากนั้นแหละแต่ตามไม่จริงมันไม่ใช่นอนหลับแต่มันไม่ใช่เผลอจิตรวมนะเอแต่ว่าจิตนั้นจะเย็นผิดปกติใจของเรารู้สึกว่าเย็นสบายผิดปกติเพียงแค่นั้นแหละไม่ลืมละ่ะเอ้คข้าพันนิกะสมาธิเพียงแค่นั้น มันเป็นจิตใจที่ไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยเจอมาก่อนใจของเราได้รับความสงบเพียงชั่วขณะเท่านั้นเองใจของเราได้รับความสงบเย็นใจสบายใจอย่างมากอยากจะให้มันเป็นอีกอย่างนั้นแต่ก็มันไม่เป็นหรอกมันไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเราอยากแตมันจะไม่เป็นแต่ถ้าเราทาไปเรื่อยๆมันจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆอีกเหมือนกัน อันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิคือเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเราพยายามไม่ให้มันเผลอดูใจของเราใจเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นคล้ายๆว่าสติของเราเนี่ยเรานึกคิดเรื่องอะไรสติของเราทันทันความรู้สึกนั้นนั้น เดี๋ยวนี้ขนาดนี้ใจของเราลึกคิดเลือกอะไรใจของเรากับสติของเรานี่ทันแต่เราจังได้ยินเสียงข้างนอกนะ เ, เสียงรถเสียงลาเสียงคู่เสียงคนเสียงใครใครเราจะได้ยินจะได้ยินได้ยินอยู่แต่ว่าจิตใจของเราไม่ปุ๋งไม่ฟุ้งไม่ซ่านใจไม่หิวโหยอย่างนั้นเถอะใจของเราอยู่กับตัวใจอยู่ถ้าจะว่าไปอีกแต่หนึ่งทุกว่าใจอยู่ใจไม่ ลกเล็ก <c oughs> ใจไม่ออกนอกรูนอกทางเอกําหนดอยู่จุดไหนอยู่จุดนั้นอแต่ว่าให้มันรู้อยู่ว่าเรานึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้เอ๋อันนี้เลยว่าจิตที่เป็นอุปจารสมาธิจิตอุปจารสมาธที่เป็นอุปจารสมาธินี่แหละจะนํามาพิจารณาทางวิปัสสนาเอไดอ้จิตอุปจาระ แต่นี่พอเรากําหนดดูอีกกําหนดใจให้นิ่งเอจิตใจจะรวมเข้าลงลงเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิจิตที่เอกเป็นที่เป็นอัปปนาสมาธินี่เรานั่งอยู่นัสถานที่ใดเราจะไม่รู้ว่าเรานั่งนัสถานที่ใดเสียงอะไรเราจะไม่ได้ยินทั้งนั้นเหมือนกับสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอะไรสติเป็นอันนั้น อยู่ในอยู่นิ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้ว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิแต่ว่าบางท่านบางคนก็ได้นานเพรามีกําลังนานแต่บางคนก็ไม่ได้นานประมาณสักสี่ห้านาทีจากนั้นก็ถอนขึ้นมาแล้วพอถอนขึ้นมาแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเมื่อกี้หนึ่ใจของเราเป็นอะไรจิตของเราเป็นไรทําไมเป็นอย่างไ น, น ไม่ต้องถามใครจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิไม่ต้องถามใครรู้ได้ด้วยตนเองว่านี้คือใจใจของเราเป็นสมาธิอัปปนาสมาธิถึงจะถามใครอื่นว่าจิตรวมอย่างนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นสมาธิอันนั้นเพียงแต่ถามเขาเฉยๆแต่ในตัวของเราแล้วเรามั่นใจเลยว่าใจของเราเป็นสมาธิเมื่อกี้อใจของเราเป็นอัปปนาสมาธิ จิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี่แหละจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเราจะรู้ได้โดยตนเองอีกต่างหากว่ากายกับใจนั้นอาศัยกันอยู่แต่มันชัดเจนเหลือเกินดวงวิญญาณหรือใจน่ะมันชัดเจนเหลือเกินแต่ร่างกายนี่นก็คือส่วนหนึ่งใจได้เป็นอันหนึ่งไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันที่จะนําไปเกิดในภพภูมิต่างๆนะั้นคือใจตรงนี้แน่นอน แต่ส่วนร่างกายนะั้นแตกตายสลายแน่ไม่เป็นอย่างนัง้นอันนี้เราจะรู้ชัดด้วยตนเองที่เน็นที่เป็นจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิแล้วนี่แหละสมาธิถึงจะท่านผู้ใดจะทำขนาดไหนก็ถึงเพียงขั้นอัปปนาสมาธิจากนั้นก็ถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาแล้วก็มาถึงอุปจาระสมาธิจากนั้นก็เป็นคณิกะแล้วก็จิตเป็นจิตธรรมดา นี้พวกเราจะทําจะให้เป็นสมาธิทุกครั้งอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นบางคนก็บอกว่านั่งภาวนากลัวติดสมาธิกลัวติดสมาธิแหมแหมอาตมาภาพบอกว่ า, วาอย่าไปกลัวเลยสมาธินีน่เหมือนกับเราทํามาหาเลี้ยงชีพทํามาหาเงิ น, พ, าางนอพอได้เงินมาหน่อยนึงก็กลัวจะเป็นเศรษฐี ว่าจะเป็นเศรษฐีถ้าเป็นเศรษฐีเราจะทำอย่างไรก็รจะไปที่ไหนได้เพราะเป็นเศรษฐีแล้วอันนั้นพวกเราอย่าไปคิดให้เป็นเศรษฐีซะก่อนถ้าเรามีปัญญาเสียอย่างถึงจะเป็นเศรษฐีเราก็ออกจากวิธีหาวิธีออกจากการเป็นเศรษฐีของเราได้เราจะไปที่ไหนก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันการนั่งสมาธิจิตของเราก็สู่ความสงบเป็นเป็นสมาธิเราก็จะไปติดในสมาธิที่ เพราะว่าเราได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแล้วสมาธิเป็นถิ่งให้เนิ่นช้าเมื่อจิตที่เป็นสมาธินั้แค่ว่าเข้าไปพักผ่อนเข้าไปนอนเข้าไปสงบเออเหมือนกับเป็นพักผ่อนยังงทำให้ใจพักผ่อนใจไม่ได้ทำงานแต่นี้มีแต่ไปพักผ่อนอยู่ตลอดเวลาคนนั้นก็ไม่มีผลงานเพราะ น, นั้นท่านจึงให้แนะนำให้ออกจากสมาธิบังคับ ให้ออกจากสมาธิอะ น, นั้นผู้ที่ติดสมาธิแล้วเราก็รู้แล้วว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนว่าสมาธิถ้าติดสมาธิทำให้เนิ่นช้าแต่เราก็ทดลองเลยซอว่าให้เป็นสมาธิดูซะก่อนว่าใจของเราเป็นยังไงเป็นสมาธินั้นมีความสุขมากน้อยแค่ไหนเราจะได้รู้รสของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าสมาธิมีความสุขอย่างไร แต่ถ้าว่าพวกเราไม่เคยริ้มรถของสมาธิเฉลยนะพวกเราก็ปฏิบัติไปกับเป็น เ, เลื่อนๆลางๆลอยๆไปอย่างนั้นแหละเขาไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกเราได้ริ้มรถสมาธิแล้วหลวงพ่อว่าหลวงพ่อมั่นใจได้เกินว่าพวกเราจะได้รับรสของพระธรรมในระดับหนึ่งเหมือนกับเราเข้ามาสู่ต้นรมต้นมะม่วง อ่าได้สู่ต้มมะม่วงระเย็นอยู่แล้วแต่ได้ริ้มรสผลมะม่วงอีกอ่าอันนั้นแหล ะ, ะเราจะรู้อะ้รโอ้มะม่วงมีรสอร่อยถึงขนาดนี้เราจะรู้ได้นี่ก็เหมือนกันสมาธิของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติให้แก่พวกเราได้ศึกษานั้นก็ขอให้พวกเราภาวนาปฏิบัตินี่แหละคณิกะอุปจาระอ ป, ปนาสมาธิ แต่เมื่อเป็นสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาโดยอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ตามบางจริงตามที่จริงเราจะปฏิเสธอย่างนั้นก็ไม่ได้อีกเหมือนกันแต่ถ้าท่านผู้ใดเป็นผู้มีอุปนิสัยคิดปัญญาพวกรู้ได้เร็วนะพอใจจิตใจเป็นสมาธิเท่านั้นก็เดิดน่นกระโดดเข้าทางปัญญาเลยทีบไปทางท่านด้านปัญญาอันนั้นก็มีอยู่ อันนี้เปลว่าพวกคิปปัญญาพวกรู้รได้เร็วแต่ด้วยโดยมากพวกทันทาปัญญาพวกรู้ได้ช้าแล้วเมื่อจิตสมาเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วต้องให้นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาทางทิปััสนาปัญญาที่ปััสนาปัญญานั้นคืออะไรคือกำหนดพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเรา ท่านให้แนะนำท่านแนะนาสั่งสอนว่าให้พิจารณากายยคตาจิตแกายชกายคตาติคือพิจารณากายเกสาผมโลมาขนนหนาเล็บทันตาฟันตะโจหนังนี่แหละกรรมาฐานห้านี่แหละเป็นหินรับปัญญาที่จะให้เห็นจะให้รู้แจ้งเห็นจริงเพราะว่าคนเราทั้งหลายเกิดมาในโลกเนี่ยมันหลงอะไร หลงร่างกายหลงร่างกายของตนเองว่าร่างกายของเราเนี่ยว่าเป็นของเสร็จสวยงดงามจิรังถาวรแต่ตามที่แท้แล้วร่างกายของคนเราอีกสักวันหนึ่งพอเกิดขึ้นมาแล้วแก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายไม่มีที่อไหนที่จะเป็นจิรังถาวรแต่พวกเรามาลุ่มหลงในร่างกายของพวกเราเมื่อลุ่มหลงแล้ว พะหลงร่างกายของตนเองก็หลงร่างกายของคนอื่นพราะหลงร่างกายของคนอื่นก็นหลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงเงินคำทรัพสมบัติหลงการเป็นอยู่ของตนเองหลงไปหมดทึ้งเพราะเห็นไรเพราะมันหลงร่างกายว่าเป็นของมั่นคงถาวรเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาพิจารณาว่าร่างกายสังขารมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะไออีกสักวันหนึ่ง มันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บแล้วก็จะต้องตายในที่สุดไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เพราะนั้นมารณะภัยคำนี้คำตายคำนี้เนี่ยมีอยู่กับทุกรูปทุกนามทุกคู่ทุกคนแต่พวกเราเป็นรุ่มหลงมัวเมากับร่างกายจนถึงบางคนก็ หลงคิดว่าตัวเองจะไม่ตายช่วยซ้าไปแต่ตามจริงไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านให้พิจารณาดูนะทีนี้พิจารณาร่างกายนเนี่ยเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนพระลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างหวงพ่อนี ย, นยครูบาอาจารย์ท่านแนะนาท่านบอกว่า ให้แบ่งส่วนดูนะแยกส่วนแบ่งส่วนดูนะคล้ายๆกับว่าเกสาผมถอนผมไปกองหนึ่งหน้าขาเล็บถอดเล็บไปกองหนึ่งทันตาฟันถอดฟันไ้กองหนึ่งตาโจหนังโผล่หนังไปกองหนึ่งมังสังเนื้อถอดเนื้อไปกองหนึ่งเอ็นกระดูกแต่ละกองละกองเยอะในกระดูก ม, ม้ามตับหัวใจผังผืดไตปอดใช่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเกา่าจัดเป็นกองกองดูสิไแยกส่วนออกมาว่าร่างกายของเรานะมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมให้ถามใจของตนเองถามใจของเราร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใจของเราก็จะต้องบอกว่าใช่ไม่เป็นอย่างอืง่นถ้าแยกส่วนแ บ, บ่งส่วนแล้ว ผมเป็นเราใช่ไหมขนเป็นเราใช่ไหมเล็บเป็นเราใช่ไหมฟันเป็นเราใช่ไหมหนังเป็นเราใช่ไหมมันก็คงจะไม่ใช่อีกเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปลุ่มหลงมัวเมากับร่างกายจนเกินไปเนะ้อให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะร่างกายไม่ไม่ใช่ของจิรังถาวร อ, อีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกตายสลายในที่สุดให้พิจารณานะใจนะ อย่าหลงนะใจนะอย่าหลงร่างกายจนเกินไปนะอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายนี่จะต้องแตกตายสลายแน่นอนนะนี่หละในเมื่อเราใจของเราพิจารณาเห็นอนนจังของร่างกายจากนั้นก็เห็นอนนจังของความคิดของตนเองอีก เ, อเห็นอนนจังทุกขังอนัตตาในใจของตนเองอใจของเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่น อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจากนั้นจิตใจของเราก็เบื่อสะทั้งใจของตนเองเมื่อเบื่อใจของตนเองนี่พิทาคือความเบื่อหน่ายเมื่อความเบื่อหน่ายใจก็หลุดพ้นจากอาสวกิเลเทถึงไม่มาเวียนว่ายตายเกิดไม่ยึดมั่นถือมัน่นนี่แหละอนิพพานนิพพานไม่ต้องหาที่ไหนหาอยู่ที่ใจของเราจะอยู่ที่ใจของเราเนะ่ะใจเดี๋ยวนี้มันของเราเนี่ยมันยังโง่ง แม้มันยังรุ่มห ล, ลงมัวเมาแต่ใจฉลาดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นะเอะถึงนิพพานเหมือนกันแต่ถ้าห่าใจของเรายัางโง่อยู่ยังติดในภพในชาติอยู่พวกเราก็จะรุ่มหลงมัวเมากับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นวันนี้อาตมาภาพได้กล่าวเป็นพาะบาลีเบื้องต้นว่าเอกายโนอายังมักโภ สั ต, ตานางวิสุทธิยาพราะพระไเจ้ทาท่านสอนพุทธบริษัทของพระองค์ให้พิจารณาร่างกายเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายให้ฟังว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่แหละถ้าว่าพวกเราพิจารณาร่างกายไม่หลงร่างกายเห็นตามความเป็นจริงของร่างกายร่างกายของเรามีอะไรอยู่ในนี้ มีโครงกระดูกเป็นหลักไม่ใช่หรอตั้งแต่หัวจดเท้าของเรานี่มีโครงกระดูกอยู่ข้างในแหม่มีกระโหลกมีกระดูกแขนกระดูกขากระดูกชี้โครงกระดูกสันหลังกระดูกทั้งหมดเป็นชี้โครงถ้าถอดกระดูกออกหมดในร่างกายของเราเหมือนกับกระเป๋าหนังนั่นน่ะแหมมันจะคองอยู่กับพื้นแต่ถ้าว่ามีโครงกระดูกเข้าไปมันก็มีร่างกายของเราก็ เป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้พิจารณาร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องนอนทับสมแผ่นดินอย่างที่หลวงปู่ของเรานี่ยนะท่านก็เป็นผู้มีบุญวาศสนาบารมีมากมายอายุของท่านก็มากแหมกิติศัพท์ชื่อเสียงของท่านก็มากท่านก็ได้ผลิตสุดท่านก็ได้ทิ้งร่างกายของท่าน จากพวกเราไปแล้วก็พระพุทธเจ้าที่เป็นบรมครูของพวกเราท่านยิ่งเลิศประเสริฐทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้สุดท่านก็ต้องได้ทิ้งร่างกายของพระองค์อีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเป็นใครพวกเรารอวีซ่ากันอยู่ด้วยกันทุกคนน ะ, ะพวกเรารอวีซ่ากันอยู่เมื่อเราเกิดมายมมาทูดเขาเขียนวีซ่าให้แกพวกเรา ทุกคนทุกคนอีกวันดีคืนดีวีซ่าก็จะมาถึงพวกเราท่านทั้งหลายอีกวันนั้นแหละถึงพวกเราจะได้รับวีซา่าพวกเราก็จะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยการทุกคนไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไปได้แต่ถึงยังไงก็ตามตืผู้ที่จะได้รับวีซ่าไปนั้นถ้าหาว่าผู้ใดได้สาะแสวงหาทรัพย์มีเงินคํา มีเงินติดกระเป๋าไปด้วยนะถ้ามีเงินติดกระเป๋าไว้เนะี่เราจะไปต่างประเทศเราก็ไปด้วยความภาคภูมิใจแต่ถ้าว่าพวกเราเพวกเราเไปต่างประเทศได้รับปีซ่ามาแล้วเงินในกระเป๋าแห้งเอเอเราออกจากชาตินี้แล้วบุญกุศลเราก็ไม่ได้เคยคิดไว้ก่อนเลยมีแต่งัวเมาโศสแวงหามีแต่เที่ยวมีแต่เล่น เอ่เมตตาทำอย่างอื่นไม่เกิดประโยชน์แล้วเราจะไปหวังพึ่งบุญกุศลได้อย่างไรถ้ามีพบหน้าชาติหน้าอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนาภาวนาเนี่ยนะ เ, เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งเอ่อสำหรับเอ่อสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเรื่องภาวนาเป็นเรื่องที่ จำเป็นสําคัญเพราะพระพุทธเจา้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนท่านบอกว่าให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาสิญมโหส์ครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศิญบริสุทธถร้รอยครั้งสู้นั่งภาวนาจิตสงบครั้งหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องจิตแภาวนามีอนิสงส์มากแต่พวกเราประพฤติปฏิบัติไม่ต้องลงทุนมากอีกต่างหากนะเพียงแต่ว่าขาขาสั่ง ขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกทำจิตใจใของเราให้สงบ เ, เป็นหนึ่งเพียงแค่นั้นละ่ะเป็นบุญกุศลมหาศาลเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้อาตมาภาพได้บรรยายทมตั้งแต่เบื้องต้น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 แล้วก็ภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งแล้วกันกลองด้วยเหตุและผลอันนี้คือเป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแต่ละครั้งแต่ละเทาวจากได้ยินจากครูบาอาจารย์องค์นั้นบงังองค์นี้บ้างจากนั้นก็นํามาประพฤติปฏิบัติจากนั้นก็เป็นเนื้อเป็นหนังของตนเอง อันดับแรกเราต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ซะก่อนถ้าบอกพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์เช่นเลยจะเป็นผู้ฉเหลียวฉลาดนั้นคงจะเป็นไปอย่างนั้นได้ยากอ่าเพราะนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นวันนี้ธรรมาภาพแต่อธิบายเรื่องทานเอ่อทำไมคนอย่าพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานเพราะไปการเสียสละพระพองค์บอกว่าคนที่มีน้ําใจ มีเมตตาผู้มีเสียสละไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความร่วมเย็นเป็นสุขถ้าคนไม่มีทานไม่มีน้ําใจแล้วมีแต่ความเกิดร้อนวุ่นวายเรื่องศินก็เหมือนกันศินก็คือรักษากายวายใจให้เรียบร้อยชื่อว่าศินเอาหัวใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปทําถ้าทําแล้วเขาเดือดร้อนเขามาทําให้เราก็เช่นเดียวกันคนนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน นี่แหละคือสิ่จากหน่ากัเรื่องสมาธิาสมาธิทับทามจิตใจเราจะคิดเรื่องอะไรหลักของพุทธศ า, ษ า, ษาสนาว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่เกิดนั่นคืออะไรคือวิญญาณคือน้ำ ม, มาธรรมที่จะนําไปเกิดในภพภูมิต่างๆแต่ส่วนร่างกายนั้นแตกตายสลายแน่ไม่เป็นอย่างอื่นลงสู่ดินน้ํำลงไฟอย่างที่เจ้าคุณปู่ของพวกเราเนี่แหละออีกสักวันหนึ่งไม่กี่วันข้างหน้า พวกเราก็จะส่งขึ้นส่งไปต่างประเทศแล้วว่างั้นแ่ะแต่วิญญาณของท่านนั้นท่านอาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดพองเป็นผู้หมดจดจากพิเลศแล้วก็ได้เพาท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นระยะเวลายาวนานทีเดียวเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนำทำค า, าสอนขององค์หลวงปู่ของเรานี่แหละที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานํามาประพฤติปฏิบัติ พวกเราจะประสบแต่ความสุขความเย็นใจนะ เ, เพราะว่าพ่อแม่ครูายการของพวกเราเนี่ที่จะท่านสอนพวกเราให้เป็นคนทำคุณงามความดีโดยการทางนั้นไม่ได้สอนให้ทำลูกศิษย์ทุกหาทำสิ่งที่เป็นอัมมงคลท่านจะไม่สอนท่านจะสอนแต่สิ่งที่เป็นสิริเป็นมงคลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพะฉะนั้นวันนี้การพูดการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา